ก่อนมีคนมาเคยมาบ่นหลวงพ่อว่าทำไมต้องไปไหว้พระพะเป็นทองเหลืองไปไหว้มันทำไมเขาเห็นแต่ทองเหลืองนี่เวลาหลวงพ่อไหว้พระนะจิตใจลรวลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเละจิตใจไม่นจะมีความสุขมีความเบิกบาน ไม่ต้องไปทําสมาธิอะไรเนิ่นนานนะแค่กราบพระก mm hmm. ็มีความสุขมีความเบิกบานแล้วกราบให้มันถึงพระจริงๆเหอะอย่าไปมองแค่ว่านี่ทองเหลืองคนมองได้แค่ทองเหลืองมันก็เห็นทองเหลืองสิถ้ามองเห็นธรรมะแท้ๆที่ซ่อนอยู่ภายในนะจิตใจเราก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรนี่ยไม่เคยหายไปเลย ไม่เคยสูญหายไปเลยจริงๆก็คือทรรมนั่นเองทำขนาดพระพุทธเจ้ายังมีทรรมเป็นสระณะพระพุทธเจ้ามีสระณะนะไม่ใช่ไม่มีคนไม่มีสระณะไม่มีความสุขแต่เดิมไม่เข้าใจนะว่าเอาธรรมะเป็นสระณะนี่เอาอยัางไงเพราะธรรมะ ม, มันเป็น w o r d i ด g ิเป็นถ้อยคำในพระไตรปิฎกอะไรเนะี่ยเราจะไปเอาถ้อยคาเหล่านี้มาเป็นสรณะได้ยังไง ในความเป็นจริงแล้วสภาวะของธรรมนี่นมะันครอบโลกครอบจักรวาลอยู่ไม่มีคําพูดหรอกใจที่มันพ้นความปรุงแต่งนี่มันจะสัมผัสกับธรรมดังนั้นใจที่พ้นความปรุงแต่งนะก็เป็นใจที่เรียกว่าสังฆะใจของพระสงฆ์ใจของพุทธะใจชนิดนี้กับธรรมเนี่ยรวมเป็นอันเดียวกันเพราะนนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็เป็นอันเดียวกัน เวลานึกถึงพระพุทธแท้ๆนะไม่ใช่แค่นึกถึงพระพุทธเป็นองค์องค์ไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่เจ้าชายสิท ธ, ธ, ธนะัตถะพุทธะแท้ๆก็คือธรรมนั่นเองงั้นไม่เคยหายไปไหนเลยผู้ดใดภาวนาจิตใจพ้นจากความปรุงแต่งมีจิตใจเป็นสังขะพ้นจากความปรุงแต่งได้ก็เข้าถึงธรรมะนี้ เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวรวดครอบโลกครอบจักรวาลเสถียรไม่เกิดไม่ดับนะทำมันนี้แต่พวกเราเป็นผู้มีขันขันมันเกิดมันดับไปเรื่อยขันมันมีแต่ทุกข์นะทำไม่มีทุกข์ทำแท้ๆนั้นไม่มีทุกข์ส่วนพวกขันยังมีขันอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่พวกเราเหมือนเราถูกขังอยู่ในขัน เราจิตใจของเราเนี่ยถูกขังอยู่ในขันถูกขังอยู่ในกายในใจนี่เองดังน้นมันมีกรอบขับแคบที่ต้องอยู่หนีก็หนีไม่ได้นะฆ่าตัวตายไปไปเกิดใหม่ก็เอาขันไปอีกมีขันขึ้นมาอีกมันมีเชื้อเหลืออยู่ก็ยังมีขันอีกถ้าพ้นขันนะพ้นจากขันไปก็จะเห็นธรรม พระอรหันต์ที่ยังดำรงชีวิตอยู่นี่เรียกว่าพ้นขันพระอรหันต์ที่ตายแล้วนี่เรียกว่าดับขันนิโรธบางทีก็ไม่ได้แปลว่าแค่ดับนิโรธของพระอรหันต์คือความไม่เกิดอีกของทุกข์ไม่มีอีกนี่นธรรมะนะละเอียดอ่อนลึกซึ้งประณีตผู้มีตาก็มองเห็นผู้ไม่มีก็มองไม่เห็นเห็นแต่พระที่เป็นองค์องค์ คิดว่านี่เป็นพระสงฆ์เป็นององค์นี่ตัวปลอมนะสิ่งที่เห็นนี่แค่ขันเท่านั้นเองถ้าวันใดเราเห็นธรรมนะัเราจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกพระวักกะเลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอันเดียวกันเลยนั้นท่านพูดซื่อๆเลยนะแต่ไม่ใช่เห็นพระกายของท่านพระกายของท่านไม่ใช่กายของพระสงฆ์สาวกนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นขันหรอก ถ้าเราภาวานาจะเราพ้นขันถ้า use, เราจึงจะเห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้าเห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เห็นธรรมเมื่อนั้นแหละเห็นธรรมเมื่อไหร่ก็เห็นตัวจริงของพระพุธทธเจ้าเมื่อนั้นแหละนี่พอไปกราบพระมามากราบพระมาน่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อกี้ที่ห <poetry> ลวง่อกราบพระเม่กี้นะ <arrangements> อ่ะต่อไปนี้ตรวจกันบ้านวันนี้ใครอยู่วัดมีไหม จูนเอาว่าไปจูนยังติดอยู่ในพบอยู่มัวๆอยู่ค่ะอืติดอยู่ก็รู้อยู่นะคะก็มีงิลําคาญใจอยากหลุดอยู่บ้างค่ะ<ห>เวลาเผลอๆก็จะอยากหลุดค่ะพื้นฐานจิตของจูนนะมันมีโทสะค่ะความฟุ้งซ่านตัว น, นี้เป็นวิบากค่ะวิบากจากงานที่เราทํานะเหมันต้องน้อมใจให้เกิดอารมณ์ต้องอะไรเข้าไป ก็มีวิบากใช่มันจะฟุง้งตอ น, นทํางานบางทีเวลาเข่งเขียน ง, งานไปอะค่ ะ, ะก็จะมีแบบสติรู้ตัวขึ้นมาได้<น>แบบว่าเวลาอัตตามันเกิดว่าเอ้ยเก่งจังทําไมเราเขียนตรงนี้ออกอะไรเง<น>ี้ยค่ะมันก็จะมีสติเกิดบ้างเป็นระยะระยะมันก็เลยไม่ถึงกับลังเกียจ ง, งานซะทีเดียวเพราะว่ามันเห็นเน่ยเวลาทํางานเราก็ยังมีสติเกิดได้แล้วมันจะเขียนได้หรือมันก็ไม่ค่อยได้ค <laughs> มีอะไรมีสติขึ้นมามันก็ขาดสะบั้น ก็ยางนึกได้ตอนเช้าเนี่ยจนแบบลืมไปเลยค่ะพอมีสติเกิดปุ๊บลืมไปเลยว่านึกอะไรได้แล้วมันนึกได้อีกทีประมาณสามสี่โมงเย็นนะค่อยนึกได้ว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยนึกําอะไรได้เราเขียนไปท่อนหนึ่งเขียนไปวักหนึ่งนะแล้วพอมีสติเนี่ยพอมาต่อเนี่ยนะความรู้สึกมันไม่ต่อกันทํางานลําบากนี่นักแต่งเพลงของแกลมมี่ มันแต่งเพลงไม่ดังแล้วคะ่ะตอนนี้ไม่ดังแล้วแต่งเพลงก็มีแต่พุโโทโธธโมสังโฆมันจะดังได้ไงตอนนี้แต่งเพลงไม่ค่อยเสวยทางโลกเท่าไหร่เลยไม่ค่อยทังแล้วเราภาวนานะเรามีเพลงในใจเราเรื่อยๆใจที่มันถ่ายทอดธรรมะถ่ายทอดของมันอยู่อย่างนั้นแหละที่ถ่ายทอดกันเป็นวันๆไปถ่ายทอดธรรมะจุน ปวาวนาค่ะหลวงพ่อเพราะว่าจุนก็ปัญญาน้อยจุลก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นขณะที่ภาวนาไปจุนจะติดอะไรบ้างค่ะดังั้นถ้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็เตือนเพราะจุนก็ไม่รู้บางทีช่วงนี้ทรงการบ้านไม่ค่อยถูกค่ะถ้าติดอะไรอยจิตมันฟุง้งค่ะจิตมันฟุ้งสัน้นมีโมหะค่ะแค่รู้ไปแล้วก็มันฟุ้งเนี่ยมันเป็นวิบากมันอย่าไปปฏิเสธมันไม่ต้องหายก็ได้ค่ะนะ ไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ด้วยความเป็นกลางไว้ถ้าใจไม่เป็นกลางใจเราเจอด้วยโทสะเนืองๆเราก็รู้ทันมันค่ะดีละจูนอีกตัวหนึ่งของจูนก็คือมานะอัตตามันแรงนะมันยึดในความเห็นยึดในความเห็นแรงแต่ตอนนี้เบาลงแล้วนะตอนลงอา้าส้มตรงการบ้านก็ตอนนี้จะแบบอึดอัดลำคานค่ะ นำคันใครน<ด> ำ, <ค>ำคัคนกายค่ะค<ง> <laughs> <laughs> มัน ย, ย, ยุกยิกยุกยิกตลอดเลยค่ะแล้วก็หลงอ้าคะ่ะคือจะรู้สึกว่าเป็นคนที่มันตอนเช้าเช้ามือดอะคะ่ะมักจะตื่นมาดูลมหายใจสลับกับเผลอไปทางเสียงอะคะ่ะจะรู้สึกว่าดูเผลอทางเสียงได้ง่ายแล้วคือรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนี่เวลานอนจะดูจิตง่ายอะคะ่ะ คือไม่ไม่มั่นใจว่ารูสึกผิดหรือเปล่าเดี๋ยวปรกนอนเทเวลานอนมันดูง่ายเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดจะทำอย่างอื่นนะกลางวันนี้มีเรื่องจูงความสนใจของเราไปเยอะเลยดูลาบากนิดนึงเวลานอนแล้วมันก็เหลืออยู่อายตนะที่ทำงานมีไม่มากแล้วไนมตาเราก็ไม่ได้ไปสนใจดูอะไรละหูเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะต้องไปฟังอะไรใจเราก็คิดไปมก็เลยดูง่ายมันลดการกระทบสัมผัส ที่รุนแรงทั้งอายตนะอื่นๆลงไปก็ทําง่ายเหมือนอย่างบางคนเข้าสมาธินะเข้าสมาธิแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยเรียกว่าทําทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาควบกันไปอย่างนั้นก็มีดูได้เยอะเลยดูได้ละเอียดนะถ้าอยู่ข้างนอกในโลกข้างนอกนี้ก็จะดูได้หยาบๆไม่ได้ละเอียดเท่าเงั้นอย่างคนที่ภาวนาแล้วเห็นสภาวะได้เยอะแยะเนี่ยส่วนมากจะต้องทรงฌานไปก่อน จิตสงบแล้วก็เข้าไปเห็นการทํางานเห็นอะไรเงี้ยมจะเห็นได้ชัดนี่เราไม่ได้ทรงฌานเวลานอนเนี่ย ใ, ใกล้ๆแล้วใกล้ๆคล้ายๆคล้ายๆก็คือไม่มีภาระเรื่องอื่นแล้วมันก็ภาวนาดูง่ายแต่ไม่ใช่ว่าต้องนอนแล้วภาวนานะชี้เกียร น, นะอย่ามาบอกหลวงพ่ออย่างนี้แล้วก็ขอนอนภาวนาไปเรื่อยๆตามสถิติผู้บรรลุในท่านอนมีน้อย ในท่านั่งท่าเดินอะไรงี้มีมากท่ายืนก็พอมีอยู่ท่ายืนมีนะพวกเดินจงกรมอะเดินเดินไปสุดทางหรือเดินเดินอยู่กลางทางนี้จิตมันรวมจิตมันรวมขามันไม่เดินนะก็ยืนอยู่อนยะ่างนั้นก็เข้าใจในท่ายืนท่านอนไม่ค่อยมีแล้วคือมันจะขาดฉันทะอะคะ่ะขาดก็ขาดไปทุกซะก่อนไปมันทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอคะ่ะมันยังทุกไม่พอ ก็ทุกไปก่อนนะถ้ามีความทุกข์ขึ้นมานะมันจะกวนกวายนะคนไหนชาดฉันทะขี้เกียจขาดกาลังใจนะสําหรับหลงพ่อต้อไปไปทุกข์ให้พอนะถ้าทุกข์พอแล้วมันขยันเองแหละเพราะจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังไม่เห็นไงนะอย่างเรายังสาวเรายังสวยเรายังมีคนเอาใจนะ เรายังเป็นขาขึ้นอยู่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เราก็รู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกนะทอกขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มมีทุกข์นะยังพอใหญ่ขึ้นมาแล้วเริ่มทุกข์ละกลัวคนเลื่อยขาเก้าอีนะ้หรือพอโตขึ้นมาใช่ไหมตอนเด็กๆตอนไต่เต้านี่สนุกนะสนุกนะมันมีแต่ว่าโตขึ้นไปโตขึ้นไปพอโตไปถึงชนเพดานแล้วคนนี้มีแต่ขาลงคเนะีนะ้ทุกค น, นต้องเจออย่างนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้น แค่ดูลายเซนก็รู้แล้วลายเซนนี่นะมันบอกพลังของจิตคนที่ใกล้กเกษียณแล้วนะ่ะลายเซ็นไม่มีพลังเลยลองไปดูสิตอนที่ขึ้นมาได้อํานาจใหม่ๆนะลายเซนจะแหมดูฉูดฉาดนิดนึงได้อํานาจมาพักหนึ่งแล้วนี่ลายเซนจะคงที่นิ่งๆพอใกล้จะซิ้นอํานาจนะกระทั่งลายเซนยังหมดพลังไปเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตใจมันหมดแรงแล้ว นี่ทุกคนนะเมื่อเจริญขึ้นมาแล้ววันหนึ่งต้องเสื่อมไปหนีไม่พ้นนะถ้าไม่ตายซส ก, ก่อนงั้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีด้านเดียวไม่มีด้านเจริญในเบื้องต้นนะแล้วก็มีด้านเสื่อมรออยู่ในเบื้องปลายผู้มีสติผู้มีปัญญาก็ไม่ประมาทวันหนึ่งเราต้องเจอความเสื่อมแน่นอนร่างกายเคยสวยเคยสาววันหนึ่งไม่สวยไม่สาวลว้น่าเกลียด ตอนนี้ก็เป็นนางงามใช่ตอไปเป็นนางงอม <c oughs> เป็นขางโคกตายซากอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วแต่เขาจะนินทา <c oughs> นะมันไม่สวยจริงสุขภาพก็ทรุดโทรมเจ็บป่วยนะรอแรกรอแรกแค่เอี้ยวตัวผิดนิดนึงก็ยอกละนะี่มีอำนาจอยู่มีความสวยความงามอยู่มีคนเอาใจนะมีผลประโยชน์ให้ก็ได้เขาเอาใจห บันไดไม่มีผลประโยชน์จะให้เขาก็ไม่มองละโลกเป็นอย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมลดยศมีสารเสริอ ม, ม, มแล้วมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกโลกเป็นอย่างนี้ผู้ไม่ประมาทมีชีวิตยอยู่ในโลกแบบเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมของตัวเองหัดเจริญสติเจริญปัญญาไปในวันที่ความเสื่อมเข้ามาถึงเนี่ยไม่สะทกสถาน มันเสื่อมได้แต่โลกหลับทำมันไม่เสื่อมโลกยังไงก็ต้องสูญสลายไปแต่ธรรมมันไม่สูญสลายไปงั้นสังเกตดูครูบาอาจารย์พระครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้เท่าผู้เท่านะอยู่แปดสิบเก้าสิบดูท่านยังสดชื่นเห็นไหมคนทั่วๆไปเนี่ยหกสิบก็จะเฉาตายอยู่แล้วคนยิ่งคนมีอำนาจวาสนานะพอเกษียณขึ้นมันก็เฉาล้มีชีวิตส่วนที่เหลืออย่างแห้งแล้ง ในขณะที่ครูบาอาจารย์ผู้ภาวนาท่านมีชีวิตส่วนที่เหลือเนี่ยยังมีความสุขนะมีความสดชื่นแล้วท่านก็รอวันสิ้นขันสิ้นขันเมื่อไหร่ก็สิ้นทุกอย่างสบายเมื่อ น, นั้นเลยคิดถึงเวลาสิ้นขันด้วยความร่าเริงใจของคนทั้งหลายนะพอแก่ก็เริ่มวันไหวแล้วแก่แล้วใครจะเลี้ยงลูกมันจะเลี้ยงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ยิ่งมีลูกน้อยๆใช่ แต่ก่อนมีลูกเยอะนึกว่าลูกเลี้ยงลูกมันก็เกี่ยงเงินเลี้ยงเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยๆนะลูกมันเลี้ยงตัวเองไม่ค่อยได้พ่อแม่แก่แล้วยังต้องเลี้ยงมันอีกเลยเลี้ยงมันเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงหลานมันเหมือนพี่ชายหลวงพ่อนะพี่ชายใจดีน่ารักนิ ส, กสัยดีเกษียณนะนึกว่าจะได้ภาวนาไม่หรอกกาลังเลี้ยงหลานอยู่ได้ชีวิตนะมันไม่มีอะไรเหลือเลยสุดท้าย ไม่มีอะไรติดตัวไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปน่าสงสารคนในโลกเนถ้าเรามองชีวิตเราให้ยาวขึ้นมันจะขนวนขวายมัะมีฉันทะที่จะภาวนาความทุกข์รออยู่ข้างหน้านะไม่ใช่ความสุขความสูญเสียรออยู่ข้างหน้านะไม่ใช่การได้มาเอาชาวเชียงใหม่วันนี้มีกี่คนเชียงใหม่วันนี้จะกลับละเชียงให ม, นะม่นครสวรรค์ ทั้งแถวเลยเหรอทรงไหม่ไปต้องเล่นทั้งแถวแล้ววันนี้นอันอีกคนเนาะค่ะกราบแลมรสการหลวงพ่อค่ ะ, ะเป็นคนใหม่เพิ่งมาชุดชุดนี้นะคะก็วันนี้วันที่สี่เราจะกราบลาหลวงพ่อกลับไปได้ไรไ ป, ไปบ้างนะอ่ะก็เท่าที่เท่าที่สังเกตตัวเองนะคะ สติปัญญาเกี่ยวกับด้านธรรมะตรงนี้รู้สึกน้อยมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรไปเลยอืเราไม่เอาสติปัญญาในเนื้อหาสาระของธรรมะนะค่ะ <Okay. S 2> มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องการความรู้ <Okay. S 2> มาเรียนที่หลวงพ่อนะเพื่อให้หัดดูกายดูใจของตัวเองเป็นรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันดูออกไหม okay. นี่แตัวนั้นตัวสําคัญนะเนื้อหาสาระที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ไม่สําคัญนะ <c oughs> เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องไปรู้ด้วยตัวเองสิ่งที่เราจะต้องหัดต้องเรียนไปให้ได้นะก็คือหัดดูกายหัดดูใจตัวเองให้เป็นเนี่ยใจลอยไปแวบๆรู้สึกไหมค่ะ <c oughs> แวบไป3าทีต่อกันแวบแวบแวบเน <c oughs> ไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมค่ะเ <c oughs> นี่ยให้คอยรู้ทันนะแล้วรู้เล่นๆอย่ารู้จริงแต่รู้บ่อยๆ <c oughs> เล่นนะแต่เล่นบ่อยๆเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมนะเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> รู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆรู้สึกไหมใจมันโปร่งมันโลง่งมันเบานะแต่เวลาที่หลงไปนะ <c oughs> ใจไปกอะไปเกี่ยวในอารมณ์ใจก็หนักใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อใจหลงเนี่ยหลงไปอีกแล้วทราบไหมห <c oughs> ลงไปคิดนะไหลไปคิดให้คอยรู้สภาวะอย่างนี้เรื่อยๆนะ ค่ ะ, ะคุณบางออนค่ะน้ำันสกัวันนี้จิตใจเฉ่มชื่นขึ้นกว่าทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตมากขึ้นจิตมันได้ได้แรงนะมันมาชาร์จแบตเจ้าค่ะแบตของคุณบางออนมันเป็นแบตที่ดีนะเพราะงั้นให้รู้สภาวะไปเรื่อยๆกลับบ้านไปก็ดูของเราไปไม่ดูคนอื่น นะดูของเราเองแล้วก็ตอนจะคุยเราก็ดูไปเจ้าค่ะเวลาคุยมันจะกระเดิดขึ้นไหมให้เรารู้เอาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นั่งสมาธิทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้นั่งนานแต่ว่ามันจะปรากฏสิ่งหนึ่งที่พุ่งออกมานี้เจ้าค่ะ แล้งดูสุกแล้มันจะมีพลังมหาศาลเออให้สักว่ารู้สัคว่าเห็นไปนะอันนี้เป็นอํานาจของสมาธิเป็นกําลังของสมาธิเนะเอาไปทําอะไรก็ได้มนะันทําไมมีความรู้สึกว่าพลังนี่มันจ้าจิตมันมีพลังนะจิตของคุณบางออนนะ่ะพลังมันมากนะนี่จะเอาพลังไปทําอย่างอื่นเวลาจิตมันมีแรงมากๆนะให้มันมาค้นคว้าอยู่ในร่างกายนี้นะไล่ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังนะดูมันลงไปทีละส่วนทีละส่วนเลยเจ้า พลังที่มหาศาลของจิตนี้จะทำลายร่างกายไปทีละส่วนนะทำลายทำลายทำลายจนหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วก็มารู้จิตต่ออ๋อเจ้าคนะ่ะโ อ, โอ้กราบขอพระเดชพระคุณเจ้าค่ะอ้าวต่อไปรกราบนมัสการคะ่ะก็ฝึกดูอยู่แต่ไม่ทราบว่าที่ทานี้ถูกหรือเปล่าคะ่ะไปประคองไว้เยอะไปนิดนึงนะปล่อยซะรู้ให้สบายสบยเนะี่ยรู้สึกไหมไปกดจิตห เลิกษะนะที่ฝึอกอยู่นะพอใช้ได้ละจิตเริ่มตื่นแล้วตอน <ะ S 1> นี้กลัวหลวงพ่อก็เลยไปกดเอาไว้ปล่อยๆซ ะ, ะพอปล่อยแล้วมันจะฟุ้งซ่านนะใจชอบฟุ้งซ่านรู้สึกไหมพอปล่อยเมื่อไหร่มันจะฟุ้งแรงฟุ้งก็คอยรู้เอาอไปข่าวรำลับการค่ะช่วงนี้มันจะซึมๆแล้วก็เหมือนกับจิตจะมีโทสะคุนๆอยู่เรื่อยๆค่ะ ก็ยังมีความจงใจอยู่ค่ะขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยค่ะรู้เท่าที่เขารู้นะรู้อย่างนี้ใช้ได้แล้วรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปประคองไวนะ้หลักก็เราก็รู้แล้วต่อไปนี้ปล่อยให้จิตทำงานแล้วตามดูไปนะึ่ตอนนี้จิตไปทำงานอะไรทราบไหมจิตไปคิดนะปล่อยเขานะนี้ไปคิดแล้วนะปล่อยให้เขาทำงานนะแล้วตามรู้ไปใช้ได้อยู่นะ ช่วงนี้จิตไม่มีพลังไม่มีพลังก็ทำความสงบเข้ามาบ้างพ อ, อมันสงบพอสมควรแล้วไม่ให้ติดในความสุขความสงบนะให้ออกมาคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจของคุณรู้สึกกายช่วยไปด้วยนะรู้สึกกายช่วยด้วยคนเราพออายุเกินห้าสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยเวลาภาวนาบางทีดูจิตอย่างเดียวบางทีดูไม่ไหวกาลังไม่พอคือร่างกายมันอ่อนแอลง ความรู้สึกมันจะมัวมวไปนิดนึงเรามาเอากายช่วยรู้สึกกายไปได้รู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะไม่ดูจิตอย่างเดียวนะนั่นจะมีแรงกายเป็นของหยาบการที่เราคอยรู้กายมันได้แรงไปประคองละรู้สึกไหมรู้สึกไหมยิ้มอยู่รู้สึกไหมพยักหน้า รู้สึกไหมเพ่งแล้วเนี่ยเรารู้ไปทั้งกายรู้ไปทั้งใจใจก็ตื่นขึ้นมารู้สึกไหมใจจะมีพลังจะมีแรงนะอย่าดูจิตลูกเดียวอย่างนี้ไมนะ่ไดูไปนะคนเราพออายุเยอะขึ้นเนะี่ยนั่งเฉยๆมันซึมมันซึมนะต้องเอาร่างกายไปช่วยด้วยนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยที่พูดได้เต็มปากเพราะเราเริ่มแก่แล้วนั่งเฉยๆมันจะหลับเอาง่ายๆนะข้ากลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ ก็คอยตามรู้ตามดูกายใจไปเหมือนกับต้องฝึกชั่วโมงวินเหมือนพระอาจารย์บอกของ<ะ>ของโยมใช้ได้นะแต่ตอนนี้เราดันจิตขึ้นข้างบนแรงไปนิดนึงเรากลัวมันจะไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ดันๆันมันไว้นะ <c oughs> นึกออกไหมค่ะคือไปพยายามผลักมันเพื่อจะให้มันตื่นตัวพนะยามผลักมันให้รู้มันนะอย่าไปบงังคับมันแต่ถ้ามันซึมลงไปแล้วก็ทําอย่างนี้ได้ ให้มันตื่นตัวขึ้นมาแต่อย่าให้มันตื่นตัวค้างตลอดนะนี่ทั้งวันตายเลยนะเหนื่อยนะคะแล้วว่าไปขาด น, นมาจาช ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะเ อ, อตอนนี้มีตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะ <ừ> um. เ, เป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าคนแก่เนี่ยฮะเวลาดูจิตยอย่างเดียวมันเผลอแล้วก็หลับง่วง <ừ> um. ก็ให้กายช่วยอโ <ừ> um. ยมก็เลยได้ วิธีของหลวงพ่อคาเขียนนะคะ<อ>นะแต่ที่นี่มันจะมีคำบริกรรมมาช่วยอีกไม่ทราบจะถูกหรือเปล่ามันก็เยอะไปไหน <c oughs> มันก็มากไปภนะ <c oughs> าระมันเยอะไปนะเอาแต่กายะะรู้กายรู้ใจนะ <c oughs> บริกรรม <c oughs> <c oughs> บริกรรมนะ่มันก็เป็นประโยชน์ <c oughs> แต่ว่ากับบางคนอย่างอาจารย์มหาบัวเนี่ยบริกรรมตั้งแต่ช่จนต้นจนจบทางเลยท่านไม่ทิ้งบริกรรมท่านบริกรรมเรื่อย เนี่ยแต่จริตนิสัยคนถ้าเราบริกรรมแล้วสติเกิดเราก็ใช้ได้แต่ถ้าบริกรรมแล้วรู้สึกเป็นภาระเราก็ไม่เอาเราก็เอากายเอาใจไปแต่ว่าถ้าเติมบริกรรมเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะไปประคับประคองไว้มันก็เยอะขึ้นอีกเราอย่าไปประคองนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกนี่อยากจะขอกลาบเป็ียนถามว่า เวลารู้จิตที่เคลื่อนมันจะรู้กายไปด้วยใช่ัหมคะได้มันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะค่ะขยับอะไรก็รู้ไปพร้อมกันจริงจริงมันไม่พร้อมทีเดียวมันจะมีจุดสนใจอยู่จุดเดียวแต่ว่ามันรู้ทั่วทั่วนไหมมันเหมือนรู้ทั้งหมดอ่ะทั้งกายทั้งใจแต่ตอนไหนรู้กายชัดก็ไม่รู้จิตจิตก็ไม่ชัดรู้จิตชัดก็กายก็ไม่ชัดไม่ต้องมา เน้นตรงที่จิตใช่ไหมคไม่ต้องไปต้องอคแค่รู้สึ ก, กรู้สึกตัวไว้อะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันเด่นตอนนี้กาลังเดินอยู่นี่ร่างกายมันเด่นก็เห็นร่างกายมันเดินไปเดินไปแล้วใจไหลแวบไปที่อื่นจิตมันเด่นแล้วก็รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปนะรู้กายรู้ใจไปแล้วแต่สติเขาจะรู้ไม่บังคับหรอกขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยถ้ารู้กายรู้ใจโดยที่ไม่ได้จงใจรู้เนี่ยนะเราจะมีความเบิกบานขึ้น รู้สึกไหมใจมันจะเบิกบานขึ้นม <Okay. S 2> าพอจิตใจมันเบิกบานเราก็รู้ทันความเบิกบานใจก็สงบระ ง, งับลงไปมีปัจสธิพอ <Okay. S 2> ใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วใจเราก็ตั้งมั่นสักว่ารู้สักไว้เห็นทั้งหลายทั้งปวง <Okay. S 2> เห็นกายเห็นใจเขาทางานไปจิตมีิวเบิกขาเป็นกลางต่อกายต่อใจ น, <Okay. S 2> นี่มันจะเดินไปอย่างนี้นเรามีสติรู้กายรู้ใจใช่ไหมเรามีสติการรู้กายรู้ใจเรียกว่าธรรมวิจยะ เราค่อยรู้ไปเรื่อยๆนี่ตัววิวริยะ<ด>รู้ไปเรื่อยๆจิตใจเราก็มีความเบิกบานขึ้นมามีปีติเรารู้ความมีปีตินะใจก็ค่อยเข้าสู่ความสงบระงับเกิดความสุขเกิดสมาธิขึ้นมาใจตั้งมัน่นรู้กายรู้ใจไปอย่างมีความสุขนี่คนแก่แล้วต้องฝึกอย่างนี้นะเราก็จะรู้กายรู้ใจไปอย่างมีความสุขเรื่อยๆ <g> กายมันก็จะเบาจิตมันก็จะเบานะ ไม่ใช่กายหนักจิตหนักกายมันเบาจิตมันเบาเพราเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องเล่นอย่างนี้เราถึงจะเดินไหวค่<า>นะของโยมนี่มีจงใจมากไปไหมคะไม่มากแล้วนะ<า>เหลือนิดหนึ่ง<า>ของโยมใช้ได้นะข อ, ขอบคุณมากค่ะอ้าวต่อไปเอาให้แม่ชีก่อนไหค่ะกำลังฝึกอยู่ค่ะแล้วก็ได้เห็นโทสะแล้วค่ะ เห็นอย่างว่าี้โมโหอมากด้วยค่ะดีนะอย่าไปกดมันแต่ไม่ให้มันล้นออกทางกายทางวาจาไม่ไปว่าใครไม่ไปตีใครทางใจเนี่ยให้มันเดือดไปแล้วตามดูตามดูใจที่มันเดือดพล่านะใจที่เดือดพล่านมันเดือดของมันเองมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ชี้ดูอย่างนี้นะเห็นใจที่มันดิ้นรนเดือดรินเล่าๆไปเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา แต่ไม่ให้ล้นออกทางกายทางวาจาของแม่ชีนั่นมันจะล้นนะต้องระวังไว้เดี๋ยวมันจะไปว่าคนนู้นคนนี้ได้มันชอบล้นนะนี่แหละดูอย่างนี้นะแล้วดูใจที่มันดิ้นเล่าๆล่าเล่ไปดูไปเห็นมันเป็นคนอื่นดูมันเหมือนคนอื่นดิ้นเล่าๆอยู่เราเป็นพวกขี้โมโหโท่สักล้าปัญญากล้าดูจิตเป็นันตตาไปคอ่ะได้ กลับนมัสการเจ้าค่ะโยมอตอนนี้ก็รู้ว่าตื่นเต้นเจ้าค่ะแล้วที่โยมได้ทําจิตของโยมนั้นมักจะบทสวดมนต์นี่รู้สึกว่าจะถูกจริตเจ้าค่ะจะจะเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เราสวดมนต์นะแล้วเราก็<ช>รู้ทันจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่ะหรือสวดมนต์แล้วก็รู้ทันร่างกา ย, ากายเห็นร่างกายมันอ้า ป, ปากพะงับปะงับไป เห็นอย่างเนี้ยร่างกายมันพยักหน้านะเจ้าคะร่างกายมันขยับปากละขยับเจ้กแล<ม>้วที่ขอประทานโทษเ<ม>จ้าค่ะเวลาโยมนะเจ้าค่ะคือว่าเดินจนม า, จากจะรู้กายเจ้าค่ะรู้ ก, กายแล้วก็ดูจิตเมื่อเช้านี้โยมก็ไปกราบหลวงปู่เจ้าค่ะโยมก็ จ, จิตแล้วลึกรู้ดวงตาของหลวงปู่เจ้าค่ะจิตจิโยมก็บอกว่าหล บอกว่าหลวงปู่นั้นได้มองโลกสัตว์โลกด้วยความสงสารจิตโยมก็ปิติน้ําตาก็จะไหลออกมาเจ้าค่ะก็ดีนะเราคิดถึงครูบาอาจารย์มีสังขานุสติ <interrupted> จิตใจเราก็เกิดปรับเรื่มมีปิติเนะนี่ยเรามีปิติเราก็รู้ว่ามีปิติน ะ, <ull> ะเราก็จะมีปิตินี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้เรามีกําลังใจที่จะปฏิบัติมีปิติมีความสุขโฉยขึ้นมาเป็นระยะระยะนะ แล้วที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องมีการบ้านที่ประเดชพระคุณถูกนะแต่<ะ>ว่ า, าต้องปล่อยมันมากกว่านี้นิดนึงให้มันสบายกว่านี้นิดหน่อยนี่มันเครียดไปนิดนึงอ่ ะ, อะไปเชิญไปทานข้าวเดี๋ยวหลงอยู่นะอย่าหนีนะนิมนต์ครับนิมนต์